คนชาติอื่นเขาเสียเปรียบพวกเราบางด้านนะบางด้านเขาได้เปรียบเสียเปรียบเราตรงที่เขาเกิดในแผ่นดินซึ่งไม่ได้มีศาสนาพุทธอยู่ก็ไม่คุ้นเคยวัฒนธรรมแบบของเราภาษาเขาไม่รู้เรื่องว่าจะถ่ายทอดนะีแปลกันหลายทอดเนี่เหมือนไม่เร็วถามสภาวะแต่เขาได้เปรียบพวกเราบางอย่างพวกเรา เกิดในแผ่นดินที่มีศาสนาพุทธอยู่ใจเราคุ้นเคยกับธรรมะเหมือนเชื้อโรคดื้อยาธรรมะฟังไปแล้วก็งั้นๆ น, นะสำนวนโบราณเหมือนตักน้ำลดหัวตอลดก็ไปอ่มีแต่ผูนะไม่งอกหรอกงั้นพเราอย่าทำตัวํำใจเราให้เป็นต่อไม้ให้เป็นมเมล็ดของต้นไม้ก็ยังดีมเมล็ดพันธุ์ได้น้าได้แดดงอก ประเภทต่อไม้ใครก็สอนไม่ไหวอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเรียนธรรมะเนี่ยเรียนพอให้รู้หลักของการปฏิบัติเมื่อเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วต้องลงมือปฏิบัติเรียนไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติสักทีนักส่งหนังสืออะไรเนี่ยนะถ้าอ่านก็อ่านหนังสือที่เป็นพุทธพจน์หนังสือธรรมะแท้ๆประวัติภาษาโรวัไ ร, รก็อ่านได้ นสือเขียนกันต่อต่อมานะเข้าขั้นที่เรียกว่าอัตโนมัติที่เราหิวธรรมะมากไปฟังที่นี่ไปฟังที่น้นอ่านเล่มนี่แล้วก็อ่านเล่มน้นนะไม่อ่านใจตัวเองสักนทะีไม่มีประโยชน์เลยมีแต่ความสับสนมากขึ้นมากขึ้นนะถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัติให้แม่นนะเราถึงจะฟังธรรมะได้อย่างกว้างๆกว้างขวาง ถ้าใจของเรายังไม่แม่นในธรรมะนะฟังมากหลายที่หลากหลายวิธีการปฏิบัติตั้งความสับสนให้เรามากเลยหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์จำนวนมากนะแต่ว่าก่อนที่จะออกเรียนเนี่ยเรียนจากหลวงปู่ดูลจนเข้าใจแล้วเรียนจากหลวงปู่ดูลเข้าใจการปฏิบัติแล้วรู้ว่าปฏิบัติอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วมีผลยังไงนะไม่สงสัยเวลาไปฟัง ครูบาอาจารย์แต่ละแห่งแต่ละแห่งพูดนึงก็เข้าใจว่าท่านสอนอะไรไม่งั้นเราสับสนว่าทําไมแต่ละที่สอนไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์แต่ละองค์นั้นมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันนี่หลวงพ่อไปได้ครูบาอาจารย์ที่เลิศมากๆเลยคือหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลสอนธรรมะแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันท่านสอนตามจริตนิสัยแต่ละคนงั้นบางคนไปบอกหลวงปู่ดุลเนี่ย เมื่อก่อนมีคนไปตั้งฉายาท่านนนะั้เป็นเท พ, พเจ้าแห่งการดูจิตอะไรต่ออะไรไม่ใช่ท่านสอนทุกอย่างเลยลูกศิษย์ท่านดูกายก็มีดูจิตก็มีนะดูสารพัดเลยบางคนทําสมถะก่อนเจริญปัญญาที่หลังบางคนทำสมถะเจริญปัญญาควบกันบางคนเจริญปัญญาไปก่อนทําสมาธิที่หลังมีทั้งหมดเลยคนดูกายบางคนเริ่มจากสมถะเลยพิจารณาผมเส้นเดียวพิี่นากระดูกเลยนะย ก่อนที่หลวงปูดูลท่านจะสอนธรรมะอย่างเราเข้าไปกราบท่านะก่อนที่ท่านจะสอนธรรมะเราเนี่ยท่านจะนั่งเงียบๆนะนั่งหลับตาเงียบไปเลยเกือบๆชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งลืมตาขึ้นมานะท่านก็สอนแต่ละคนจะได้ธรรมะที่ไม่เหมือนกันแล้วถ้าใครทําตามท่านสอนนะก็จะได้ผลรวดเร็วใครไม่ทําตามนะทําอยู่นานนะก็ยังไม่ค่อยได้ผลเราไม่มีครูบาอาจารย์ชนิดนี้นะ ครูบาอาจารย์อย่างนี้หายากที่สุดเลยคือรู้จริตของลูกศิษย์รู้ว่าใครปฏิบัติอะไรมาบ้างใครๆท่านรู้เรื่องของเราดีกว่าตัวเราเองยั้นท่านสอนเราเนี่ยแม่นยำ ม, มากไม่กี่ประโยคพอละนี่เมื่อเราไม่มีครูบาอาจารย์ชนิดนี้นะครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะสอนในสิ่งที่ท่านทำมาท่านเคยพุโทโธพิจารณากายก็สอนพุโทโธพิจารณากา ย, ยต้องอย่างนี้แหละ เคยฝึกอนาปนาสติก็ต้องอนาปนาสติต้ออย่างนี้แหละอย่างอื่นไม่ได้นะเคยพองยุบก็จะต้องพองยุบเคยขยับมือก็ต้องขยับมือแต่ถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติแม่นยํานะเราไปฟังท่านเราจะเข้าใจเลยท่านต้องการสื่ออะไรประสบการณ์ของแต่ละท่านแต่ละท่านก็มีคุณค่ายัางหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่าก็จริงนะแต่พอเข้าใจคําสอนของท่านแล้วไม่ได้อยู่อยู่แค่นั้น สำนักอะไรดังๆมีชื่อเสียงก็ไปดูไปเรียนนะไปเข้าไปดูครูบาอาจาราย์สายต่างๆเข้าไปศึกษาเข้าไปดูท่านก็รู้เลยนะว่าถ้าภาวนาเป็นนะเป็นครูบาอาจารย์ที่ภาวนาเป็นสอนเข้ามาที่เดียวกันหมดเลยสอนให้เรามาขัดเกลาจิตใจตนเองลดละกิเลสไปให้มาเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันธ์ บางทีเข้าไปบางที่บางองอะไรเงี้ยท่านสอนนอกจากสอนในสิ่งที่ท่านทำนะท่านสอนในสิ่งที่ท่านเข้าใจด้วยความรู้ความเข้าใจของครูบาอาจารย์แต่ละองยังไม่เท่ากันบางองค์เข้าไปหาท่านช่วงแรกๆนะท่านสอนแต่เรื่องกายพอท่านอายุเยอะขึ้นท่านสอนแต่เรื่องจิตไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่เรื่องจิตเลยอย่างองที่หลวงพ่อได้สัมผัส ต้นต้นท่านสอนแต่เรื่องตายลงท้ายท่านมาแต่เรื่องจิตหลวงหลวงปู่เหรียนเนี้ยหลวงพ่อพุธสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดส่วนมากเป็นเรื่องตายสอนเคลนไหวเรารู้สึกลงท้ายมีแต่เรื่องจิตสอนลงมาที่จิตอง์หนึ่งหลวงพ่อไม่ทันไม่ทันเห็นท่านสมัยสอนเรื่องกายหลวงปู่เทศลงท้ายลงมาที่จิตหมดหลวงปู่ดูลิขเข้าไปก็เจอแต่เรื่องจิตเข้ามาแล้แต่ว่ารู้ ว่าลูกสิษย์บางคนหนะลวงปู่สอนตุก่แต่ละคนไม่เหมือนกันการภาวนานะครูบาอาจารย์ย้ําเลยว่าถ้าภาวนาเข้าไม่ถึงจิตถึงใจตนเองนะไม่ได้สาระไม่ได้แก่นสารของการปฏิบัติภาวนาแล้วก็เข้าไม่ถึงจิตจริงๆไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติจริงทำไมภาวนาต้องเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจให้ได้เพราะกิเลสเกิดที่จิตกิเลสไม่ได้อยู่ที่อื่นกนะุศลทั้งหลาย เช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรต่ออะไรโพธิปักเคียรธรรม37ประการในของดีของวิเศษเท่าไหร่เกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่อื่นเลยอริยมะเกิดที่จิตอริยผลเกิดที่จิตนิพพานประจักษ์ด้วยจิตนิพพานไม่มีคําว่าเกิดนะนิพพานนั้นเกิดอยู่แล้วเป็นอมะตะาธาตุเป็นอมามตะธรรมเป็นธรรมะนะฉะนั้นทรงตัวอยู่ด้วยตัวของตัวเอง ทำนั้นทรงทำอยู่ด้วยตัวของตัวเองเราเพียงแต่ว่าเมื่อจิตใจเรามีคุณภาพพอเราถึงจะเห็นพระนิพพานเห็นนะั่ด้วยอะไรเห็นด้วยจิตงั้นเรียนเรื่องจิตนะั้นเรื่องสำคัญมากเลยโดยเฉพาะในขั้นการภาวนานะเวลาที่จะเกิดะระยะมรรคเกิดที่จิตถึงเราจะดูกายดูเวทนาดูอะไรต่ออะไรมันก็ตามนะเวลาจะมาตัดสินความรู้กันจิตรวมลงที่จิตงั้นเวลาที่เราหัดภาวนานะ เราต้องหัดเข้ามาที่จิตให้ได้ก่อนการหัดเข้ามาที่จิตก็คือมีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตมันมีสิ่งสองสิ่งที่เป็นคู่กันคือจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์อย่างที่สองคืออารมณ์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ถูกจิตรู้จิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันเกิดร่วมกันเสมอที่ใดมีจิตที่นั้นมีอารมณ์ที่ใดมีอารมณ์ที่นั้นมีจิต ต้องเกิดร่วมกันอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้จิตคือตัวที่รู้อารมณ์สมาธิก็มีสองอันสมาธิอย่างที่หนึ่งเนี่ยจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวอารมณ์แล้วสงบอยู่ในอารมณ์มเดียวเป็นสมาธิที่ใช้เพ่งตัวอารมณ์สมาธิชนิดนี้เรียกว่าอารามณูปนิชฌานอารามะภาษาแขร์ใช้อารามะคนไทยมาตาดัดแม่นาอากาศออกเป็นอารมณ์เหมือนพระอนันนะคนไทยไมาเรียกพระอานน์นะ ตัดไม่หายขาศทิ้งไปอารมณูปนิชานเนี่ยจิตไปตั้งมั่นอยู่ที่ตัวอารมณ์มันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเรียกว่าลักขณูปนิชานจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตอารมณูปนิชานจิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์เดียวใช้ทําสมถกรรมฐานและใช้ทํางานทางโลกถ้าไม่มีความสงบอยู่ในอารมณ์เดียวทํางานไม่ไดนะ้อับรถไม่ได้ เขียนหนังสือไม่ได้เขียนซอฟต์แวร์ไม่ได้หรือถ้ามันสงบอยู่ในรมันเดียวนะเช่นพุโทโธแล้วอยู่กับพุโทโธขยับมือแล้วอยู่กับมือดูท้องพองยุบแล้วอยู่ที่ท้องไม่หนีไปไหนเลยนี่เรียกว่าอารมณูปนินชฌานสิ่งที่ได้คือความสงบมีความสุขมีความสง บ, ม, ม, สงบมีความสบายจิตใจมีเรียวมีแรงมีข้อดีก็คือได้พลังข้อเสียก็คือถ้าสติปัญญาไม่พอก็จะติดมันมันมีความสุขแล้วติดในความสุขไปไหนไม่รอดนะ ไม่เจริญปัญญาต่อเพราะอาจารยเจริญปัญญานั้นต้องเห็นทุกข์เมื่อติดในความสุขของสมาธิแล้วก็เลยไม่ยอมดูตัวทุกข์สมาธิอย่างที่สองเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตวิธีฝึกมันมี2วิธีวิธีหนึ่งทำช้านอย่างเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะลมละเอียดละเอียดขึ้นลมจะตื้นขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกอย่างที่แรกหัดภาวนาตอนจิตเนีไม่สงบลมจะยาวรู้สึกลมเนี่ยยาวลงไปถึงท้อง พอจิตเริ่มสงบนะลมจะตื้นตื้นตื้นขึ้นไปจนทั้งมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกเป็นลมมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกแล้วลมก็แปลสภาพเป็นแสงสว่างตรงที่เรามีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกตัวลมหายใจเข้าออกเรียงว่าบริกรรมนิมิตตรงที่ลมมันสลายตัวน่างกลายเป็นแสงสว่างหยุดนิ่งอยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกเรียกอุคหานิมิตและจิตชำนิชํานาญนะ เราขยายแสงสว่างให้ครอบโลกก็ได้นะย่อลงมาเท่าปลายเข็มก็ได้เล่นอยู่กับแสงได้นะใจเข้าเคลียร์ไม่หนีไปไหนใจตรึกอยู่ในแสงสว่างมีวิตตกอยู่ในแสงสว่างใจตรองคือมีวิจารเข้าเคลียร์อยู่กับแสงสว่างจิตมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิตเข้าปฐมฌานนี่อจิตเข้าปฐมฌานแล้วจิตพัฒนาต่อไปอีก จิตเห็นว่าจิตยังเคลื่อนอยู่ที่แสงสว่างยังตึกยังตรองอยู่ในดวงปฏิภาคนิมิตแสงสว่างนั้นเป็นดวงปฏิภาคไปแล้วะการที่จิตยังตึกยังตรองในดวงปฏิภาคเนี่ยจิตยังเคลื่อนออกจิตยังเคลื่อนออกนอกอยู่เคลื่อนไปอยู่ที่แสงสว่างพอรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะความเคลื่อนไปของจิตความที่จิตเคลื่อนไปแล้วไปเข้าเคลียกับแสงสว่างก็ดับมีตกมิจันดับนะจิตจะตั้งมั่นเข้ามาที่จิต ตอที่จิตตั้งมั่นเข้าแต่ที่จิตเนี่ยเป็นฌานที่สองเนี่ยทุติยฌานฌานที่สองในฌานที่สองเนี่ยเกิดสภาวะที่เรียกว่าเอโกทิภาวะขึ้นในพระสูตรจะพูดถึงคําว่าเอโกทิภาวะในฝ่ายปริยัติอธิบายไม่ได้เลยอธิบายเอโกทิภาวะบอกสมาธิสมาธิมันมีได้แต่คณิกาสมาธิแล้วทำไม่เอโกทิภาวะยังมีสมาธิจะว่ามันเป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิก็มีมาตั้งแต่ปฐมฌานแล และจีเอโคที่ภาวะก็คือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งนั่นเองจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ถอนตัวออกจากความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายถอนตัวออกมาเป็นคนดูมาเป็นผู้รู้ผู้เห็นสภาวะธรรมทั้งหลายตรงนี้นะถ้าภาวนาต่อไปนะก็จะเข้าฌานที่ละเอียดขึ้นไปจนถึงเอกคต า, าอุเบกขาแต่ตัวรู้ก็ยังทรงอยู่ เมื่อออกจากฌานนี้แล้วเนี่ยอำนาจของสมาธินี่จะหล่อเลี้ยงให้ตัวรู้เนี่ยทรงอยู่ได้หลายวันแต่ไม่เกินเจดวันนะนี่เป็นวิธีอันหนึ่งนะที่จะทําให้จิตตั้งมั่นเป็นตัวรู้ขึ้นมาพวกเราส่วนใหญ่ทําไม่ได้เราเข้าฌานไม่ได้หน้าตาพวกเราไม่มีแววว่าจะเข้าฌานเลยนะมีแต่แววฟุง้งซ่านเราเข้าฌานไม่ได้ยังไม่สิ้นโอกาสหรอกมันมีเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะสําหรับคนที่ไม่ได้ฌาน ให้ทํากรรมฐานอันแดนหนึ่งขึ้นมาจะพุโทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้จะขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ไปเดินจงกลมก็ได้อะไรก็ได้ที่เนื่องด้วกายด้ใจแต่ว่าเราไม่ได้ทํารู้ลมหายใจเพื่อให้จิตไปนิ่งอยู่กับลมหายใจไม่ได้ดูท้องพองยุบให้จิตไปนิ่งอยู่ที่ท้องไม่ได้ขยับมือเพื่อให้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่มือ ถ้าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่มือที่ท้องที่เท้าที่ลมเลยเนี่จิตไปเพ่งใส่ตัวอารมณ์เราทํากรรมฐานเหมือนเดิมแหละนะหายใจไปพุโทโธไปดูท้องพองยุบไปขยับมือทําจังหวะไปแล้วรู้ทันจิตไหมจิตจะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นสองแบบหนึ่งเคลื่อนไปคิดสองเคลื่อนไปเพง่งจิตหลงไปไหลไปคิดอีกอันหนึ่งไหลไปเพง่งขนาดไหลไปเพ่งลมหายใจจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจ ขณะที่ไหลไปดูท้องพองยบนะจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่ท้องขณะเดินจงกรมไปดูเท้านะจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่เท้าอย่างนี้เรียกว่าจิตเคลื่อนไปเกาะที่อารมณ์นะเป็นอารมณนุปนิชฌานแต่ถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตจะหยุดการเคลื่อนจิตที่เคลื่อนไปหาอารมณ์นั้นเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นจิตที่มีอุทัดจะเป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะทันทีที่สติระลึกได้ว่าจิตเคลื่อนไปจะเคลื่อนไปคิดหรือจะเคลื่อนไปเพ่งก็ตาม ถ้าสติระลึกได้เห็นอาการที่จิตเคลื่อนไปนะการเคลื่อนนั้นจะดับอัตโนมัติจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ทันทีโดยไม่ต้องเจตนาให้ตั้งเพรนั้นอย่างหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือนะให้มาเขย่าธาตุรู้นะับปลุกธาตุรู้ให้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนั่นเองหลวงพ่อเทียนพูดดีนะบอกว่าถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะจะได้ต้นทา ง, งการปฏิบัติคําว่าต้นทางของการปฏิบัติไม่ใช่พระโสดาบันนะ เส้นทางของการปฏิบัติก็คือการได้จิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นเองจิตที่ทรงลักขณูปนิชฌานนั่นเองเรามีจิตชนิดนี้แล้วเราถึงจะไปทําวิปัสสนากรรมฐานได้ะนะลักขณูปนิชฌานเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่ให้เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปแต่อย่าไปบังคับมันว่าห้ามเคลื่อนห้ามไหลถ้าไปบังคับจะตึงเกินไปถ้าไหลไปแล้วไม่รู้ทันจะหย่อนเกินไปการปฏิบัติเนี่ยสุดตรงไปสองฝั่งเสมอ หลงไปไหลไปแล้วไม่รู้ว่าไหลไปอันนี้หย่อนเกินไปกลัวมันจะไหลไปแล้วก็ไปเพ่งไม่ให้มันเคลื่อนเลยนะอึดอาจนะอันนี้ตึงเครียดเกินไปให้รู้ตามความเป็นจริงจิตเคลื่อนไปแล้วรู้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่มือรู้ทันรู้ทันเห็นจิตที่กำลังไหลไปนะจะขาดทันทีเลยกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาทันทีดูท้องผองยุบอยู่จิตเคลื่อนไปที่ท้องแล้วมีสติรู้ทันปั๊บจิตก็ตั้งมั่นเลยกระทั่งดูจิต หลายคนบอกว่าดูจิตดูจิตนะพอหลับตาลงไปว่าจะดูจิตก็ส่งจิตเคลื่อนออกไปนะไปเที่ยวกวานหาจะดูอะไรดีน่าจะดูอะไรดีนะเนี่ยจิตออกนอกหมดแล้วนะอีกเคลื่อนไปหมดแล้วไม่มีลักขณูปนิชานหรอกพวกเราเกือบร้อยละร้อยเลยพอลงมือปฏิบัติที่ว่าจะดูจิตดูจิตะจิตจะเคลื่อนไปดูไม่ได้ดูจิตแต่จิตจะเคลื่อนไปดูอะไรก็ไม่รู้ที่ยุกยุกยิกงยิอยู่ข้างในให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไป เราลองทดลองอทุกคนลองหลับตาทําใจให้สบายแล้วดูจิตดูดูซิจิตไฝวไหมถอยขึ้นมาได้ละกลับออกมาอยู่ข้างนอกนี่ได้ละเวลาที่พวกเราดูจิตนะเขาจะส่งจิตนี่เคลื่อนไปแล้วไปแกว่งอยู่ข้างในนะว่าจะดูอะไรดีพอไปเจออะไรที่เด่นที่ชัดนะก็จะจับไม้อยู่ตรงนั้นเอง อย่เมื่อกี้ตัวที่เด่นชัดนัคือเสียงระกังมากระทบเนี่ยจิตมันไหวขึ้นมาเราก็ไปจับที่ความไหวนี่ตรงที่จับที่ความไหวเนี่ยยังจับไม่นานเสียงรักังมันสั้นเนื้อเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะจิตเลยไม่ถลําลงไปจับที่ความไหวมันเลยพอดีไปแต่ถ้ามันเป็นเสียงที่ซ้ำซากนะแล้วจิตไหวรีวิว ๆ, ๆนะจิตจะเคลื่อนลงไปที่ตัวไหวนะก็พลาดอีกละจิตเคลื่อนไปเราไม่เห็นเราลองไปหัดสังเกตตัวเองดูจิตที่เคลื่อนไป ถ้าเรารู้ทานจิตที่เคลื่อนบ่อยๆนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องเจตนาลักขณูปนิชฌานคือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่จิตมันวิเศษยังไงมันไม่เหมือนอารามณูปนิชฌานที่จิตไปตั้งอยู่ที่อารมณ์อารามณูปนิชฌานใช้ทําสมถะมใช้ทํางานท่างโลกลัคขณูปนิชฌานใช้ทําวิปัสสนากรรมฐา น, นเมื่อจิตถอนตัวเป็นคนดูแล้วก็ต้องมาดูรูปดูนามทํางานงั้นเมื่อจิตถอนตัวมาตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วอี อย่าหยุดการปฏิบัติอยุดที่การรักษาจิตให้ตั้งมั่นอย่ารักษาตัวผู้รู้ไนะว้เฉยๆถ้ารักษาจิตให้ตั้งมั่นรักษาตัวผู้รู้ไว้เฉยๆยังไม่ได้ทํำวิปัสนาแค่มีเครื่องมือที่จะทํำวิปัสนาแต่ยังไม่ได้ทํำวิปัสนาเมื่อจิตของเราตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วนะสติระลึกรู้ลงไปในกายนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเวลามีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตส ต, ติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในจิตจิตตั้งมั่นเป็นคนดู หลวงพ่อถึงพูดเรื่อยๆนะว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางการที่เรามีสติระลึกรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจที่เขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะและจิตเป็นคนดูเนี่ยมันจะเห็นความจริงนะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมาแล้วก็ไปสิ่งทั้งหลายทนอยู่ไม่ได้นานสิ่งทั้งหลายบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุถ้ามีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดหมดเหตุสิ่งนั้นก็ดับบังคับไม่ได้ ถ้าสติระลึกรู้ลงในกายนะในอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอนิจจังนี่ยก็เห็นความเกิดดับของเคยมีแล้วมันไม่มีนี่เรียกว่าอนิจจังทุกขังก็คือของที่กำลังมีอยู่นะถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายมีเหตุมันก็เกิดมีขึ้นมานะหมดเหตุมันก็ดับไปมันตั้งอยู่ได้ชั่วขณะตามกำลังของเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งถ้าสติระลึกรู้กายแล้วจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ย ในสามมุมนะอา น, นิจังทุกขังอนัตตาเนะี่ยถ้าดูกายเนี่ยนะตัวที่ดูง่ายที่สุดคือตัวทุกข์กายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดนะในขณะที่ร่างกายเนี่ยดูอา น, นิจังยากเพราะรูปอายุยืนแต่นามาทำนั้นอายุสั้นงั้นถ้าเราดูจิตนะเราจะเห็นอา น, นิจังง่ายเกิดขึ้นมาแว็บเดียวก็ดับแวบเดียวก็ดับแว็บเดียวก็ดั บ, บ, เ, ดดบนะเห็นอา น, นิจังง่ายนะแต่ดูกายนะี่เห็นตัวทุกข์ง่าย นั่งอยู่สักพักหนึ่งก็ทุกข์นะเดินอยู่สักพักหนึ่งก็ทุกข์ลองหายใจออกไปเรื่อยๆนะหายใจออกสักพักหนึ่งก็ทุกก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าสักพักเดียวก็ทุกก็ต้องหายใจออกแก้ทุกขนี่ร่างกายมันถูกความทุกข์บีบคั้นทําให้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยนะถูกบีบคั้นตลอดเนี่ยถ้าใจเราเป็นคนดูมันจะรู้สึกว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละ อ, อนกันกายอยู่ส่วนหนึง่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนะ ถ้าจิต ท, ที่ตั้งมั่นขึ้นมาเรามีรักขณูปนิชฌานแลเนี่ยพอสติะระลึกรู้กายจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเป็นโคนลาอันกันร่างกายมันก็ทุกอยู่น่นนะใจเป็นคนดูอยู่ทางนี้เป็นโคนละอนกันจะเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวใช่ตัวอะไรของเราหรอเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะถ้าเราดูความสุขความทุกข์นะในจิตจะเห็นว่ามันเกิดดับได้รวดเร็ ว, รวดูความทุกข์ในกายอยากดับช้านะมันเนื่องกับกาย อย่างเจ็บป่วยขึ้นมาปวดหัวมันดูไปเรื่อยก็ยังปวดหัวอยู่มันปวดที่กายปวดที่กายเวทนาอาศัยกายอยู่ก็อายุยืนหน่อยในเวทนาที่อาศัยจิตนะั้นเกิดดับไปกับจิตนะัเป็นขณะขณะขณะเลยแป๊บแป๊บปแ ป, แปไปเรยที่จริงเวทนาที่เกิดทางกายก็เกิดดับนะแต่ว่ากายมันยังมีเหตุให้เจ็บปวดนะัมันก็เกิดเวทนาแบบเติมเพิ่มไปอีกเราเลยรู้สึกเวทนาเที่ยงดูยากหน่อยถึเวทนาในใจเนี่ยดูง่ายความสุข ตามองเห็นรูปก um, ็มีความสุขความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายตา like <Yep. S 2> มองเห็นรูปแล้วก็เกิดความทุกข์เห็นคนนี้มาใจมันเป็นทุกข์ขึ้นมาความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปในสุขทุกข์ทั้งหลายมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับดับดับไปมันเกิดได้เองด้วยไม่ใช่เราสั่งอย่างตามองเห็นคนที่เราพอใจเห็นรูปที่พอใจก็มีความสุขเห็นรูปที่ไม่พอใจมีความทุกข์ เราจะเลือกว่าอันนี้พอใจอันนี้พอใจก็ไม่ได้จะเลือกเห็นอันนี้ไม่ให้เห็นอันนี้ก็ไม่ได้เราเลือกไม่ได้สักอันเดียวเพราะนั้นเวลาเราหัดรู้หัดดูไปนัเราจะเห็นเลยความสุขความทุกข์ทั้งหลายรวมทั้งกุศลอกุศลทั้งหลายเราเลือกไม่ได้หรอกจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะชั่วเราเลือกไม่ได้จิตจะโลภหรือจิตจะไม่โลภจิตจะโกรธหรือจิตไม่โกรธจิตจะหลงหรือไม่หลงจิตจะฟุ้งซ่านหรือจิตจะหดหู่เราเลือกไม่ได้ ตรงที่เห็นเลือกไม่ได้นะเรียกว่าเห็นอนัตตาตรงที่เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้อย่างความโกรธเกิดขึ้นพอเรารู้ทันว่าความโกรธเขาหายนี่เรียกเห็นอนิจจังการดูลงในกายในใจนะีต้องดูลงให้เห็นไตรลักษณ์นะเพียงอันใดอันหนึ่งก็พอแล้วมุมใดมุมหนึ่งก็พอแล้วเห็นกายแสดงไตรลักษณ์ใจเป็นคนดูเวลาแจ้งขึ้นมาแจมแจ้งขึ้นมาก็าจะเห็นว่าทั้งกายทั้งใจนะนะั่นแหละตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดู ใจเป็นคนดูจะเห็นว่าต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างทำหน้าที่ต่างคนต่างเกิดดับบังคับไม่ได้นะเหมือนเหมือนกันเวลาแจ้งนะถือจะดูกายนะก็เห็นชัดทั้งกายทางจิตนะเวลาดูเวทนาก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเวลาดูสังขารนะก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นสังขารเห็นจิตจะทางานหมุนเวียนไปเรื่อยดูจิตดูใจก็เห็นจิตเกิดดับไปเรื่อย ตัจิตไม่มีร่องรอยไม่มีรูปร่างเราเห็นความเกิดดับของมันโดยเห็นผ่านสัง ข, ขารของจิตเนจิตต่อสังขารคือความปรุงต่างๆนั่นเอ ง, งเห็นจิตดวงนี้มีความสุขแล้วเห็นนะจิตที่มีความสุขหายไปแล้วเกิดจิตอุเบกขาอย่างนี้เห็นไปเรื่อยนะั้นในสุดปัญญามันก็เกิดเออจิตมันเกิดดับนะจิต ท, ที่เกิดร่วมกับความสุขมันหายไปแล้วเกิดจิตที่เกิดร่วมกับอุเบกขาหรือจิตที่โลภเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเกิดจิตที่ไม่โลภเนี่ยเป็นเห็นว่าเป็นจิตเป็นคนละอันกัน หรเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูลกลิ้นกายใจจิตที่เกิดที่ตาก็อันหนึ่งจิตที่เกิดที่หูก็อันหนึ่งจิตที่เกิดที่ใจก็อันหนึ่งอย่างนี้เห็นจิตเกิดดับได้เกิดดับโดยเห็นผ่านอายตนะนะถ้าไม่เห็นผ่านอายตนะก็เห็นผ่านเจตสิกคือสิ่งที่มาประกอบกับจิตที่จิตอาังขานความปรุงของจิตทั้งหลายนั่นเองนี่เราเฝ้ารู้นะเฝ้ารู้ลงไปเลยถึงวันหนึ่งเมื่อศีลสมาธิปัญญานะสติสมาธิปัญญาแก่รอบพอสติก็อัตโนมัตินะ สมาธิก็อัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัติหมดเลยสติอัตโนมัติหมายถึงมีอะไรแปลกปลอมเกิดขึ้นระลึกรู้โดยไม่ได้เจตนาระลึกสมาธิอัตโนมัติก็คือจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยไม่เจตนาให้ตั้งมันไม่ได้รักษาปัญญาอัตโนมัติก็คือเห็นไตรลักษณ์ในสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในขณะที่กําลังเหล่านี้เพียงพอแล้วอัตโนมัติแล้วเนี่ยอริยมรรคเกิดขึ้น เวลาที่อริยามรรคเกิดขึ้นจิตต้องรวมลงที่จิตนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกตั้งแต่ตอนทํามิปัสนานะให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแต่โดยไม่ประคองรักษาในขณะที่อริยามรรคเกิดนั้นจิตจะรวมลงที่จิตอํานาจของสมาธิที่จิตรวมลงที่จิตนี้ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่พวกเรามีอยู่ตอนนี้ยังไม่เรียกว่าสัมมาสมาธิแต่เรียกโดยอนุโลม เ, เพื่อให้เกิดกําลังใจว่าเป็นสัมมาสมาธิความจริงเป็นแค่ลักขณูปณิชัน สัมมาสมาธิจะเกิดในขณะแห่งอริยมรรคเท่านั้นเกิดขณะจิตเดียวเท่านั้นเองมันก็คือลักขณูปณิชฌานนั่นแหละแต่มันรวมลงที่จิตโดยไม่ได้เจตนาสัมมาสมาธิที่รวมลงที่จิตเนี่ยเหมือนภาชนะในพระสูตรพูดไว้เลยเหมือนภาชนะที่รองรับองค์มรรคทั้ง7็ที่เหลือให้ประชุมลงที่จิตในขณะเดียวกันแล้วมันเป็นที่ประชุมที่รวมของคุณงามความดีทั้งหมดเลยโพธิปักคียธรรมทั้งหลาย ประชุมลงที่จิตพร้อมๆกันลงที่เดียวกันคือที่จิตลงในขณะเดียวกันคือขณะแห่งอริยมรรเห็นไหมความดีทั้งหมดนะกระแสะของกุศลทั้งหมดที่เราสะสมมานะมันมารวมตัวในขณะจิตเดียวนั่นแหละมันถึงจะล้างกิเลสได้ไม่ใช่วันนี้จเจริญปัญญาวันนี้นั่งสมาธิวันนี้จเจริญสติปัฏฐานไม่ได้กินออกมันต้องทั้งหมดเลยนะมรรคมีองแปด น, นะทำงานในขณะเดียวกันขึ้นมา งั้เวลาที่เกิดอริยมรรคนะก็เกิดลงที่จิตเกิดอริยมรรคชัว่วขณะก็เกิดอริยผลเกิดที่จิตอีกแล้วลักคนูปนิชานเนี่ยนอกจากในขณะวิปัสนาในขณะแห่งมรรคขณะแห่งผลแล้วนะในขณะที่พระรยาบุคคลทำพระสมบัติทำผลสมบัติก็เป็นลักคนูปนิชานไม่ใช่รัมมานุปนิชาน อรามณูปนิชานทําได้ตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่8ลักขณูปนิชานได้ตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่8เหมือนกันแล้วขึ้นสมาบัติที่9ทีนนิโรธสมาบัติได้ด้วยนะพระสมาบัติเป็นการทวนกลับเข้าไปเสเวยความสุขของผลผลญาณมีรูปมีนามนะมีจิตนิโรธสมาบัตินะีสัมผัสพระนิพพานอีกเขนิดหนึ่งเนื่องอนุปาทิเศ ส, สนิพพาน พระสมบัตินั้นจิตเข้าไปสัมผัสนิพานชื่อสอุปาทิเศ ส, สนิพานคละอ่านกันนะยากไปไหมวันนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรลองอีกหน่อยก็เข้าใจเองแหละพอนาเข้าไปนะไปถัดข้าวไป